ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องบายหน้าไปสู่ความตายฉะนั้นการมีชีวิตที่มีสาระมีประโยชน์มีคุณค่าถ้าก็ว่าเราไม่สูญเปล่าของการเกิดมาไปกางคุ้มค่าที่ได้เกิดมา เป็นมนุษย์